พูดท้วสวัสดีค่ะท่าน้ฟังที่ราบการรายการ ส, สนท น, นาค่ะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0 6นะคะดิฉันสัมม น, นาคครงดำเนินรายการเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงคำสอนของพระาศาสดาสั่งสมคำสอนของท่านไว้เรื่อยๆซึ่งจะเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์น้อยลงนะคะ แล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวดิ่ฉันจะลองกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับการที่ทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นจะจัดเดินทางไปสแสวงบุญใช้ําง่ายๆแบบที่คนอื่งเขาใช้กันที่พุทธภูมิซึ่งดิฉันเองสงสัยจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็เผื่อว่าจะยังพอมีที่ว่างอยู่แล้วก็มีท่านฟังที่ฟังรายการท่านใดประสงค์จะอยากไปเดี๋ยฉันก็ต้องไปกราบเรียนถามท่าน ตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรับเฉพาะกลุ่มที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือว่ารับที่ทางออากาศด้วยเดี๋ยวไปกราบเรียนถามท่านหลังจากที่ปฏิบัติธรรมกันแล้วเลยดีกว่านะคะกล่าวณภาษการค่ะเยียมพานค่ะก่อนที่จะเริ่มสนทนาธรรมเราก็มาตั้งสติเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าของเรากันสักนิด น, นึงก่อนโดยให้เรามาระลึกนึกถึงลหมหายใจของเราทําความสงบอยู่สักนิดหนึ่ง เวลาที่เราจะมาระลึกนึกถึงลมหายใจของเรานั้นให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติรับรู้สัมผัสได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมสลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้เวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ความหมายของคาว่าส ต, ติคือการระลึก ถึงสิ่งที่กระทําจําคําที่พูดแล้แม้นานได้เช่นว่าเรานึกถึงพ่อแม่นึกถึงเรื่องในอดีตนึกถึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ในที่นี้ให้เรามาคิดถึงนึกถึงเรื่องของลมหายใจการมาคิดถึงนึกถึงเรื่องของลมหายใจที่มันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ก็คือมากําหนดรู้มาระลึกถึงดูอยู่นะที่บริเวณตําแหน่งเฉพาะหน้าในภายในพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกของลม ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงลงไปว่ามันกี่ตารางมิลลิเมตรเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมวงกมหรือโดนัทแค่ว่าเรารับรู้สัมบัติได้ตรงไหนเอาจิตตั้งไว้นะที่ตรงนั้นจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาที่มีสัมบัติใดๆมาเกิดขึ้นถ้าสติมันยังมีกำลังอ่อนมันอาจจะไหลไปตามภาษาบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ได้ดีแบบพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับน้าที่ไหลลงมาจากที่สูง น้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงเนี่ยถ้าเผือว่าขอบคันอะไรต่างๆของมันหรือมีคนมาขุดร่องขุดรูเอาไว้มันก็จะแตกหนีสาดไปทางอื่นน้ําก็จะไม่แรงแต่ถ้ามีคนมาอุดขอบคันเอาไว้น้ําที่ไหลลงมานั้นก็จะเป็นน้ําที่แรงหรือเราอาจจะนึกถึงสายยางอย่างนี้ก็ได้สายยางเนี่ยถ้าเราเอาปลายด้านหนึ่งไปเสียบไว้กับก๊อกน้ําปลายด้านหนึ่งแต่อออกไปถ้าสายยางมีรูรั่วน้ําที่ออกที่ปลายสายอีกด้านหนึ่งเราเปิดน้ําใส่ น้าที่ออกปล า, ายอีกด้านหนึ่งมันก็จะไม่แรงแต่ถ้าเราอุดรูรั่วต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นได้หมดเรายิ่งเราทําเป็นให้ปากมันเล็กๆเดี๋สามารถฉีดชาําระล้างรถรดน้ําต้นไม้ไปได้ไกลได้จิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้ามันจะไปแตกรั่ไรวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไม่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวไปดับรู้ทางกายเดี๋ยวไปปรุงแต่งต่อทางเสียงจิตนั้นก็จะมีกําลังน้อยลงแต่ถ้าเราอุดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หมดโดยที่ให้ จิตเรามีสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นจิต ท, ที่มันรวมลงรวมลงเนี่ยยิ่งจะมีกําลังเหมือนกับเวลาที่เราใช้แว่นขยายรวมแสงถ้าเผิดว่าเราจับปรับจุดโฟกัสให้มันเล็กนิดเดียวพลังงานของแสงแดดที่รวมเข้ามานี่ก็จะมากเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยถ้าเราามาจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจเรื่องอื่นไม่คิดไม่ไปไม่สนมีสติตั้งไว้ที่นี่นจิต ท, ที่รวมลงรวมลงนี้ ก็จะมีพลังมากเวลามันรวมลงเนี่ยทำให้บางทีพื้นที่ที่มันเข้าไปรับรู้สัมผัสของลมหายใจเนี่ยมันเล็กนิดเดียวทําให้บางทีบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าลมมันหายไปในถ้าเป็นลักษณะนี้เราไม่ต้องไปทําลมให้มันแรงขึ้นมาอีกแต่ว่าให้รู้ดูอยู่หน้าที่ตําแหน่งนั้นเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีสัมผัสอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวโดยความที่จิตเรารวมลงแหลมคมขึ้น รวมลงแหลมคมขึ้นพื้นที่ที่เข้าไปรู้ลมห้ใช้น้ํากันเล็กลงตามสภาวะจิตที่มีความละเอียดลงจิตที่เป็นลักษณะนี้จะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับดินที่นวดอย่างดีแล้วเปรียบเทียบกับทองคําที่มีเนื้อดีเนื้อไม่ร่วนมีเนื้ออ่อนจิตที่เป็นลักษณะนี้ก็เป็นจิตที่สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงเจอปัญหาสถานการณ์ใดๆก็คิดอ่านแก้ไขได้ จิตที่มีกําลังแบบนี้เป็นจิตที่เรียกว่าสูงละเป็นจิตที่มีสมาธิแล้วแต่เราฝึกให้จิตเข้าอยู่ในลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆทําให้มีความจานาญทั้งในการเข้าทั้งในการตั้งอยู่ดารงอยู่ทั้งในการออกพระปราจญ์บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตจะจิตเนี่ยจะมีอํานาจเหนือเราไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยบางทีมันก็ไหลไปตามภัตตาที่มากระทบแต่ถ้ามันไปทางนั้นมันก็จะไปทางต่ำแต่เราจึงจต้องฝึกจิตให้อยู่ในอํานาจ วิธีการที่ตั้งสติขึันเองสามารถทำได้อยู่ตลอดวันด้วยมกันเริลบอลสาธุค่ะเมื่อวานนี้ได้สนทนากับท่านอาจารย์ต่อไปถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับลำดับของการเจริญอาณาปานสติลำดับขั้นของฌานต่างๆแล้วก็ลงรายละเอียดกันไปเลยในปฐมฌานตามพุทธพจน์ได้ประโยชน์มากเลยที่ท่านเข้าใจว่าอาจจะมีท่านฟังหลายคนรอฟังต่อนะคะ ว่าอาการของชานที่สองที่สามที่สี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรอืแต่ว่าก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยท่านไปเกรินค่ะว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตถามท่านในเรื่องที่จะจัดคณะเดินทางไปสแสวงบุญกันที่พุทธคยาท่านใช้คําว่าอะไรนะคะสแสวงบุญไหมคะการเดินทางครั้งนี้ทางวัดเราก็จะเรียกว่าไปแค่ปฏิบัติธรมะะรมหรือไปปฏิบัติธรรมที่ที่อินเดียโดยที่เข้าใจว่าคําว่าสแสวงบุญเนี่ยเป็นคําของ มุสลิมเมือคะที่เขาชอบใช้กันมาก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคํานี้มาจาก่เมกแต่แต่พระบุตรเจ้าได้ตรัสถึงสถานที่ที่ควรไปเห็นบุตรเจ้าใช้คํานี้นะคําว่าควรไปเห็นนี่คือไม่ใช่ว่าบังคับไปอ่ะแต่ว่าถ้าคุณมีศรัทธาสารสี่สถานที่เนี้ยควรจะมาเพื่อที่จะให้เกิดความสังเวชค่ะให้เกิดความสังเวชเขาจึงใช้คาว่าสังเวชเนื้สถานค่ะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความสังเวช ความสังเวชในที่นี้ก็คือมันก็จะเข้าทํานองว่าให้เกิดความร้อนใจใจกำบุลนี้เลยให้เกิดความร้อนใจโอ้พระพุทธช้าไม่อยู่แล้วเราจะมีความร้อนใจตรงนี้ hmm. โอ้ยนี่ขนาดที่ที่แบบเคยรุ่งเรืองอะไรนี้ตอนนี้มันเป็นซากหลังหักพังเนี่ยโอ้แต่ละแต่ละแต่ล ะ, ละจะมีความร้อนใจแบบนี้คความสังเวชอ้าวแล้วทํายังไงอ่ะฉันต้องรีบปฏิบัติธรรมฉันจะต้องรีบทรงกุศลระมไห้ไดอา ก, กุศล ร, ร, ระดมใดที่ยังมีอยู่ชั้นต้องรีบลาให้ได้ นี่เขาะจะต้องเกิดความร้อนใจแบบนี้ถ้าหกเขาไปแล้วไม่ได้อย่างนี้กลับมานี่ถือว่าไปเที่ยวถืว่าก็ไม่ต่างอะไรกับไปวิเกนไปกินไปดื่มอย่างเงี้ยนะถ้าตามความหมายตามจุดประสงค์ของพระพุทธองค์ถึงไหมคะใช่ก็จึงใช้คําว่าสังเวชนียสถานค่ะทีนี้อที่ไปนี่จะไปทําอะไรกันบ้างคนระับท่านคที่วัดป่าดอนไอศกเราจัดไปนี่ก็คือณนะสถานที่นั้นเนี่ย เราก็จะาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในแต่ละที่ละที่หรือว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นี่แต่เป็นคําเล่าของพระองค์เองนะที่พระองค์อาจจะไปเล่าที่เมืองกระบิลพัทแต่ว่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่พุทธกยาว่าเออทุกองค์ทำไมงี้งี้นะก็จะเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าสถานที่ตรงนี้เคยเกิดที่แบบนี้แบบนี้นะที่งยๆก็คือเอาพระสูตไปอ่านแล้วคุณก็นั่งสมาธิใคร่กลวนพิจารณาไปตามมันก็จะ ก็จะมบรรยากาศอีแบบหนึ่งอะนะค่ะก็จะเป็นไปทำนองนี้ทั้งหมดใช่ใช่มีการไปดูวิถีชีวิตชาวฮินดูไหมคะเอ่อก็จะมีลงแม่น้ําคงคาอยู่วันหนึ่งค่ะอันนี้พาไปพักผ่อนหย่อนใจก็จะเป็นเโลกทัดเอ่อวันที่สิบสองถึงสิบเ้ามีนาคมกําหนดการในสิบสอถึง19มีนาคมแล้วก็คือเราก็จะชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมมานี่แหละเพราะว่าเขาจะจะรู้วิธีการที่ที่วัดเราทํำยังไง เราเราก็จะเน้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวล้วนๆวน่างั้นเถอะอ่าจะไม่ได้ไปเที่ยวแล้วคราวนี้ก็จะรักษาศีลที่มันดีมากขึ้นอ๋อก็คือคเป็นศีลแปดแต่จะจะเน้นที่ว่าไม่ได้กินอะไรต่อหลังจากเที่ยงไปแล้วอ๋อแล้วคะอ่าก็จะมีกายเบาดีค่ะก็จะเดินทางคล่องตัวดีค่ะอ่าแล้วทีนี้เอ่อบางคนอาจจะถามว่าเอา้าก็อยู่ที่ศาลาก็ฟังพุทธประวัติเหมือนกันนะนั่งสมาธินี่ยฉันก็ฟังพุทธประวัติแต่ว่าไปฟังพุทธประวัติ ตามที่อินเดียที่สังเวชนียสถานเนี่ยตามโลเคชันต่างๆเนี่ยกับฟังอยู่ที่ที่บ้านเรามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ควาว่าแตกต่างกันเนี่ยมันมันไม่ได้แตกต่างกันเรื่องของจิตที่ว่ามันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันจะแตกต่างแต่ไม่เราคือเ ร, เรามาถึงดินตรงเนี้ยพระพรุทธเจ้าเคยเหยียบอากาศอย่างเงี้ยพระพรุทธเจ้าเคยหายใจแต่ท่านกินอยู่ยังไงเราจะเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นอันนี้เป็นภาษาที่เข้ามาน ะ, ะเป็นภาษาที่เข้ามา ซึ่งภาษาต่ตงตางๆเราเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราระลึกถึงพระบุทธเจ้ามีพุทธา น, นุสติตั้งไว้อยู่ตลอดมันมันจะไม่เหมือนกั น, น, นแล้วจากประสบการณ์ของเร า, าเนี่ยไปอินเดียมารอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามละแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าสมาธิเนี่ยมันดีขึ้นนล้วมาเช็คกับพระสูตรเออจริงแฮ่มีอันหนึ่งที่พระบุทรเจ้าได้ตรัสบอกไว้ว่าคนที่จะเข้าสู่สมาสมาธิได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติห้าประการนั่นคือหนึ่งอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจ ขอไปห้าอย่างปอดตาหูจมุลิ้นกายห้าอย่างเดี <Okay. S 1> ๋ยวคนที่อดทนต่อห้าอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรเพื่อที่จะเข้าสู่สมมาสมาธิพุทธ <Okay. S 1> ิราตกังอย่างนี้โอ้ยคุณโยมติว๋วเอ้คือคือถ้าเราเคยไปอินเดียก็จะทราบอยู่ว่าการจราจักรเขเป็นยังไงใช่ไหม <Okay. S 1> อาหารก็เป็นยังไงใช่ไหมกลิ่น <Okay. S 1> ของผู้คนก็เป็นยังไงเนี่ยคือมันก็จะไม่ใช่เมืองไทยเข้าใจป่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจ <Okay. S 1> แน่นอน สิ่พอมีภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเราอดทนนะ่ะคุณอุสตส่าห์มาเองนี่เงินคุณก็เสียเดินทางคุณก็ต้องไปเหนื่อยก็เหนื่อยคุณก็ต้องอดทนไอ้อดทนต ร, ตรงเนี้ยพัวเลยทําให้เราเข้าสมาธิได้ดีค่ะนี้เป็นสิ่งที่แบบจะเจอแน่นอนนะอันนี้ตัวเองก็ตัวทำไเองก็ประสบเหตุการณ์นี้เออรู้สึกว่าสมาธิเราดีขึ้นแล้วก็ก็มันตรงนี้แหละหมายถึงว่าอันนี้คือทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้เนี่ย <ม>ต้องอ่ากจนต่อ<ช>ตหูจมุกเล้นกายได้ใช่ใช่อ๋อค่ะอ๋อค่ะที่ฉันนึกว่ามีอีกสี่ข้อทีหลังอันนี้คือคอย่างละข้ออย่างละข้อค่ะงั้นกลับมาตรงจุดสรุปอีกทีหนึ่งว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสจะไปได้ไหมคะโรงพยาบาลคณ ะ, ค, ะคือคือตอนนี้เราก็รับเต็มจํานวนแล้วอ๋อค่ะแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะไปอ่า apply visa อะไรต่างๆแล้วเพราะว่ามันเดินทางเดือนมีนาคมไปในเดือนธันวาคมเนี่ย ก็จะต้องเดือนมีนาธันวาคมมกราคมเนี่ยก็จะต้องเริ่มทําบีซ่าละเพราะฉะนั hmm. ้นตอนนี้เราก็มีคนเต็มจํานวนแล้วแต่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กันฟังเนี่ยเพราะว่าทางวัดเราก็จะจัดทุกปีแต mm ่ hmm. ว่าเราก็จะจัดทุกปีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2ที่เราจัด mm hmm. คือเรา <Okay. S 1> เว้นมาปีหนึ่งเพราะว่าติดสอบติดอะไรคราวนี้ก็คิดว่าจะทําทุกปีละสอบเสร็จเรียบร้อย <Okay. S 1> ก็เลยก็เลยมีคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทั้งหมด160ยหกสค น, นรวมทั้งพระด้วยอะไรด้วย ทัหมดร้อยหกสิคนก็จะไปด้วยกันโอเป็นคณะใหญ่มากเลยนะคะใช่ใหญ่พอสมควรเนาะค่ะก็แปลว่ารอปีหน้าแล้วกันนะคะท่านผู้ฟัง <laughs> แล้วปีหน้าถ้ามีสัดส่วนของการที่จะเปิดรับบุคคลภายนอกที่ยังไม่ผ่านการหลีกเล่นยังไงก็อาจะรบกวนท่านให้ช่วยแจ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นโอกาสกับท่านที่ฟังรายการอยู่ยังขอประธานโทษนะคะท่านสังคาที่มาถามทําให้อยากไปแล้วเกิดไปไม่ได้ขึ้นมาในปีนี้เนี่ย ก็ถ้ามีโอกาสไปกับท่านจะกลับมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะว่าอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่เห็นภาพคร่าวๆก่อนอแล้วก็บอกไว้สําหรับท่านที่จะไปเองสมมุตินะคะท่านคะเกิดถ้าอยากจะไปเองแล้วก็อยากจะไปทําตามแบบท่านไนบูรณ์เนี่ยมีโอกาสไหมคะในฐานะที่เป็นแฟนรายการโอโ้โหคนที่เป็ น, านชาวพุทธทุกคนเลยนะคุณยมที ค, คนที่เป็นชาวพุทธทุกคนเลยเยควยควรจะต้องไปไปที่พวกนี้เพื่อที่จะแบบ ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะค่ะแล้วไปแล้วต้องทํำยังไงคะคือ ถ, ถ้าจะทำคืออาตมาก็จะมีหนังสือใ น, ในปีนี้เราก็จะมีหนังสือแจกเหมือนทุกๆปีมีซีดีหนังสือแจกที่รวมพระสูตรที่เราจะไปตามโลเคชันต่างๆนะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแตนะ่คุณก็จะได้รับหนังสืออันนีนะ้ซึ่งถ้าสมมติเราไปเองของเราเองคุณมีคู่มือ ว, ว่าอ๋อตรงนี้โลเคชันนี้มีพระสูตเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นที่พุทธกยศวิเรื่องราวแบบนี้เป็นพุทธจน์เป็นแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะเทียบกันค่ะแล ที่เวสาลีหัวพระรูชาวตรัสเล่าเรื่องราวตรงนี้ตรงนี้เอาไว้เราเอาคู่มือตรงนี้มาดูมาทำก็ได้อคอก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดสนใจจะไปยังไงนี่ทางวัดมีมีพวกเอกสารต่างๆใช่ก็เอาไว้คอยติดต่อไปที่วัดป่าดอนหายโศกก็แล้วกันนะคะทางเว็บไซต์เวิร์ลไวด์ e ว w p อ, อะไรนะคะ d h s วัดป่าดอนหายโศก ย่อ<ด>มาจากวัดป่าดอนหายสง์ dot org dot org นะคะค่ะทีนี้มาถึงการสนทนาต่อแล้วค่ะท่านคะบันเมื่อวานนี้ค้างไว้ที่รายละเอียดของลักษณะฌานที่หนึ่งวันนี้ขอไปสองสามสี่เลยได้ไหมค ะ, ะเราทบทวนกันนิดนึงเนะะาะฌานที่หนึ่งเรากำหนดบทเพียรชนะไปทีละตัวเลยนะบทเพียรชนะก็คือสั ง, งััจจากามและสั ง, งัจจากอกุสรธรมทั้งหลาย คำว่าสังัดตรงนี้ก็คือผู้โชาเปรียบเทียบเหมือนกับมัแรงเนี่ยตอนก็คือมันจะมีเสียงเจี๊ยวเจ้าเจี๊ยวเจ้าขึ้นนะค่ะที <c oughs> นี้ไม่มีเลยเงียบกริบเงียบกริบจนกระทั่งแบบบางทีเราอยู่ในห้องเงียบเงบเนี่ยหูมันหึ่งหึขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสังกัดสังกัดนี่หมายถึงตรงนี้หูมันหึ่งหึขึ้นเลยเนี่ยส <c oughs> ังกัดจากอะไรความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนไม่มีแต่พราะไม่มีไม่มีถึงระดับไหนไม่มีป๊ะโ ป, ะปะแป๊บแปได้ไหมไม่ได้นะต้องไม่มีถึงระดับ สูงพอสมกวรที่ทําอะไรที่จะทาให้ความมีเบิกใจความสบายใจมันเกิดขึ้นได้นั่นคือปีติและสุขโอเคพอมีปีติสุขเกิดความเบิใจความสบายใจเกิดขึ้นแล้วทั่วทั้งตัวเลยนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องแล้วไม่มีไม่มีนะโอเคแล้วตั้งอยู่เป็นสภาวะได้เป็นพบได้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่ตั้งได้เป็นภูมิของตัวเองได้อันนี้คือฌานที่1น่ง ค, คือฌานที่1 พอทํามั่นคงแล้วเหมือนกับแม่บัวที่ปีนภูเขาเหยียบตรงนี้มั่นคงแล้วชํานาญแล้วทั้งเข้าทั้งตั้งออกทั้งอยู่ทําได้ในอริยบททั้ง4ยืนเดินนอนนั่งเมื่อไหรก็ได้ดีดนิ้วพวทําได้ทันทีอันนี้คือดีแล้วนะเป็นเครื่องอยู่ได้แล้วนะโอเค okay. ก็เห็นสิว่าไอ้ปีติสุขในบางทีมันมีอาพาธเห็นสิว่าไอ้บางทีสมาธิของเราเนี่ยเอ้มมันเข้ามันออกเนี่ยมันไม่ได้ตลอดเวลาแฮ ถ้าเห็นอาพาธตรงนี้นะคุณจะไปต่อได้คีย์วัว ต, ตรงนี้นะคุณโยมเดียว ค, คือคำว่าอาพาธคือความที่มันบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะบางทีฉันก็ไปคิดเรื่องแบบบ้าบ้าบบอแวบหนึ่งเฮ้ยอันนี้นเป็นอาพาธโทระช่าเปรียบเหมือนกับคนที่แบบสุขภาพร่างกายดีแต่เดี๋ยวม่ก็ปวดขาตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้มันมากวนอยู่เรือ่อยเอาฉันทำยังไงจะทำยังไงไม่ให้มีอาพาธนี้ในสมาธินี้งั้นวิโตวิจารเนี่ยไม่เอาเพราะว่า ความคิดเราก็ไม่ได้คิดดีมันทุกเรื่องอ่ะบางทีมันก็มีความคิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเราคิดว่าจะทําบุญกระถิ่นที่นี่นะเออแม่ฉันจะสร้างบุญตรงนั้นตรงนี้แล้วชวนคนนั้นคนนี้ไปพอคิดถึงคนนั้นคนนี้โอ้คนนั้นเคยทําไม่ดีกับฉันอย่างนี้อา้อาวๆอันนี้ความคิดไม่ดีแล้วนะ <Okay. S 1> มันมันแทรกมันมาแทรกความมาแทรกตรงนี้มันจึงเป็นอาพาธทําให้ปีติสุขของเราบางทีมันก็ไม่ไม่เวิร์กไม่ดีไม่สมบูรณ์เต็มที่งั้นเอายงี้แล้วกันอย่าไปคิดมันเลย วิตกวิจารณ์ก็ไม่เอ่ยอันนี้เพราะเราเห็นโทษของอกุศลธรรมที่มันอาจจะมากับวิตกวิจารได้อันนี้คือเริ่มขึ้นที่สองแล้วนะเอ๊ะแต่ถ้าเราเห็นโทษแล้วบางทีมันจิตมันยังไม่น้อมไปทางนั้นจิตมันยังไม่ไปเพราะว่าคุณทําขั้นหนึ่งจนชํานาญแล้วอะ่ะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเอ๊ะมัน <c oughs> มันยังไม่น้อมไปในขั้นที่สองทำยังไงพระพุ <c oughs> ทธเจ้าทบทวนตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่ากับท่านพระอานนท์ให้ฟังนะซ้ําไปซ้ามาตรงเนี้ย อะไรมา่านพระสูตเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งโหมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะต้องมีความชานาญเอ๊ะทำไมจิตไม่น้อมไปเอาคุณทาตรงนี้จนชนานาญแล้วเอาทํายังไงจะให้น้อมไปต้องเห็นโทษของไอ้เจ้าวิตกวิจารเนี่ยให้มากโอยตอนแรกเราคิดว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์อยู่แต่โทษของมันก็มีพอเห็นโทษของมันมากๆแล้วเห็นคุณของการที่ไม่ต้องคิดอะไรเห็นคุณของตรงเนี้ยให้มากจิตมันถึงจะค่อยน้อมไปตั้งอยู่ได้จเจริญอยู่ในธรรมนั้นได้ ณ ต, ตอนที่มันจะค่อยน้อมไปตั้งอยู่ได้เจริญอยู่ในธรรมที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ได้เนี่ยคือวางความคิดทั้งหมดเลยทั้งเรื่องดีๆ ด, ด้วยทั้งเรื่องอะไรด้วยเนี่ยไม่เอานะไม่เอาเอาแล้วเอาอะไรอะ่ะเอาสมาธิล้วนๆคำว่าสมาธิตองเนี้ยบรุษเจ้าจึงบอกว่าเพราะวิตกวิจารระ ง, งับไปเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงเข้าถึงฌานที่สองอันมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ ตัวนี้นะเห็นไหมว่ามีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแต่ฌานหนึ่งนะมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่เหมือนกันนะวิเวกนี่คือคือพิตกวิจารที่ไม่มีอกุศลธรรมแต่สมาธินี้หมายถึงความที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารค่ะอันนี้แหละคือฌานที่2มีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ทําไม่ชํานาญเลยนะทั้งในการเข้าการตั้งอยู่การออก จะทํายืนเดินนอนนั่งจะทําตอนไหนดีดนิ้วพวเข้าได้ทันทีอันนี้คือฌานที่สองนะทําจนมันเป็นภพจนเป็นภูมิจนเป็นสภาวะของตัวเองอันนี้คือฌานที่สองนะทีนี้ว่าพอเราทําไปทําไปเนี่ยเฮ้บางทีมันก็ไม่ได้ฮ้บางทีที่ว่าไม่ได้เนี่ยคือบางทีมันกลับไปคิดอีกอ่ะเฮ้ยมันมีความคิดว่าฉันจะไม่คิดใช่ไหมมันจะมีความคิดเดี๋ยวคิดเรื่องว่าไอ้ธรรมะอันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้นี่คือคิดเรื่องดีด้วยซ้ำนะคุณยมติวนะ เอาฉันก็ว่าฉันจะไม่คิดแต่ว่าดนไปคิดเรื่องธรรมะอันนี้เป็นอย่างนี้อาตมาเนี่ยประจํานั่งสมาธิไปนิ่งๆไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาละแหมน่าจะเทศเรื่องนี้เอ๊ะทําไมฉันว่าฉันจะไม่คิดอะไรแต่ทําไมคิดเรื่องการเทศเนี่ยมันคิดได้ดีจังอย่างเงี้ยคนี่มันคือมามากวนเอครับคือไม่ใช่ว่าคิดเรื่องเทศมันไม่ดีนะแต่เราคิดว่าเราจะไม่คิดมันมามากวนมันหยาไปไม่เอาไม่เอาจะทำยังไงงั้นก็ไอปีตีสุกเนี่ยก็ไม่เอา อุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยแตความวางเฉยความวางเฉยในที่นี้หมายถึงว่าถ้ามีภาษาอะไรมากระทบเนี่ยวางเฉยวางเฉยแต่วางเฉยเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะอุเบกขานี่คือความวางเฉยคือวางเฉยเนี่ยมันเกิดจากการที่พอเรามีปีติมีสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสงบความก็เรียกว่าความสงบระงับคือปัสสติพอจิตที่มีความสงบระงับเนี่ยมันสงบระงับทั้งกายด้วยทั้งใจด้วย มีภาษาอะไรมากระทบมันก็ไม่ได้หวั่นไหวตุ้มต้ามไปตามสิ่งภายนอกมีความสงบระ ง, งับทั้งทางกายทางใจเนี่ยก็จะทําให้มีอุเบกขาคือความวางเฉยได้ความบางเฉยแต่ที น, นี้ความวางเฉยเนี่ยมันก็ยังมีความสุขปนอยู่ด้วยมีความสุขปนอยู่ด้วยนี่คือขึ้นชันที่3าน ะ, ะเพราะความที่ปีติระ ง, งับไปจึงเข้าถึงชั้นที่3าม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขาอยู่เป็นปกติสุขอันนี้คือฌานที่3มีอุเบกขานะอยู่เป็นปกติสุขคือคุณเอาความสุขที่เป็นปกติตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของคุณแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิยมได้แต่ฌานที่2จะขึ้นฌานที่3เนี่ยก็อีกเหมือนกันน่ะคือพอเราทําฌานที่สองมั่นคงจนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นที่ตั้งเป็นภพภูมิของเราแล้วเนี่ย การที่จะออกจากธรรมนั้นบางทีมันมันมันไปไม่ได้แต่การที่เราจะเอาแต่อุเบ ก, กาอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากสมาธิเย็นเย็ น, นิ่งๆิ่งเนี่ยก็ไม่เอาคือคือคุณยมติ๋วนี่ยเ อ, อวาว่าเวลาที่เราทําสมาธิมันจิตบางทีมันเย็นอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนใครเอาน้ําแข็งมาแช่ไว้ตรงอกนี่แหละแหมถ้าเข้าสภาวๆได้ได้เนี่ยมันดีนะะมันสบายมากเลยแต่ตรงนั้นคุณไม่เอานะคุณเห็นโทษหรือเปล่าทําไมอ่ะเอาก็บางทีมันมีความคิดโผลเข้ามาไง ความคิดเรื่องที่จะไปกันวันเทศอะไรเนี่ยมันโผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เกิดสมาธิเย็นเย็นิ่งนงอยู่ในใจเนี่ยไม่เอาไม่เอาเอาแต่อุเบกขาอย่างนี้นะ <c oughs> เห็นโทษเห็นโทษของปีติสุขที่เกิดจากสมาธินั้นแล้วให้เห็นประโยชน์ของสมาธิที่ไม่มีปีติ <c oughs> สมาธิที่ไม่มีปีติในขั้นที่สามแต่ก็ขึ้นชั้นสามไปแล้วตรงนี้คือในแต่ละขั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนกันหมดเลยนะว่า คุณต้องมีปีติสุขทั่วทั้งตัวนะส่วนในสูนหนึ่งของกายเธอที่ปีติสุขไม่ถูกต้องแล้วไม่มีนะเหมือนสะใบน้ำใบหนึ่งเนี่ยเขาปิดทางน้ำออกหมดมีฝนตกมีทางน้ำเข้าสะนี้ก็จะท่วมด้วยน้ำเย็นตลอดหมดอันนี้คือชั้นที่ 1-2 สองแล้วก็ขึ้นมา3ละค่ะชั้นาก็คือเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่มีความคิดนึกแน่นอนไม่มีปีติแน่นอนมีแต่อุเบกขาซึ่งอุเบกขามันก็จะมีความสุข อยู่ด้วยความสุขนี้จะละเอียดกว่าปีติแน่นอนละเอียดกว่าปีติแน่นอนแล้วก็เหมือนเดิมนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ทำให้ชำนาญทั้งเข้าทั้งตั้งอยู่ทั้งออกทั้งอิริบท4เดินยืนนั่งนอนทั้งเวลาไหนเช้ากลางวันเย็นกินข้าวอยู่เดินอยู่คุยใครอยู่พวกพวกพวกได้ไ ด, ได้ได้หมดอย่างเงี้ยอันนี้คือดีแล้วนะนะทให้ชำนาญแล้วแต่บางทีมันก็มีอาพาธนะ เช่นบางทีมันก็มีปีติแวบๆขึ้นมาเอ้เวลาที่มันมีปีติแวบๆขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอุเบกหาคุณไม่นิ่งพอเอาทำไงอ่ะงั้นอย่าเอาสุขที่กระจากอุเบกขาเอาอุเบกขาล้วนๆเนื้อนเนื้อเน้นๆตรงนี้เอาอุเบกขาล้วนๆเนื้อนเนือเน้นๆเอ๊ะแต่ว่าทําจนชํานาญแล้วตรงนี้มันทําไมถึงจะออกได้มันจะไปไม่ได้งั้นต้องเห็นโทษของมันให้มากๆเห็นโทษของไอ้เจ้าสุขที่กระจากอุเบกขาเนี่ยให้มันมากๆเห็นคุณของ การที่ไม่ต้องมีสุขเพราะความที่สุขและทุกข์ระงับไปเพราะความที่โสมนัสและโทมนัสระงับไปจึงเข้าถึงฌานที่4ี่อันนี้คือฌานที่4คือเป็นฌานที่มีอุเบกขาอยู่ข้างในนั้น <Okay. S 1> สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีโสมนัสก็ไม่มีโทมนัสก็ไม่มีมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุข <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งอยู่ในนั้นได้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันนี้พระพุทธเจ้าเรียบเหมือนกับ ชายที่เอาผ้าขาวมาคลุมตัวทั้งหมดผ้าขาวมาคลุมตัวทั้งหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเขาเลยที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีก็คือมีอุเบกขาหมดเลยสบายมากนี่คือฌานที่สี่ก็เท่ากับว่าลำดับนั้นจะเป็นไปเช่นนี้ใช่ลำดับจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าถามว่าคุณจะฝึกให้ชํานาญได้ไหมได้สิหนึ่งปุบไปสองปุบไปสามเปลี่ยนช่วงยามกันไปโหได้ยินดีมากเลยนะ ค, ค, คืออันนี้ในอัตถกถาเขาพูดเอาไว้พูดถึงว่าเวลาที่ท่านพระมหาสารีบุตรหรือท่านพระมหากระสปะเนี่ยจตมายมย่องว่าเป็นมหาสารีบุตรเลยน ะ, ะเพราะว่าท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องฌานสมบัติพวกนี้มากมีฌานสมบาบัติพวกเนี้ยเป็นเครื่องอยู่นั้นเล่นเลยหนึ่งแล้วฉันไปสองฉันกลับมาหนึ่งฉันขึ้นไปสมฉันกลับมาหนึ่งฉันไปต่อสี่ฉันกลับมาสองโอโ้โหท่านชํานาญมากเฮ้ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าความคิดมันมาเมื่อไหร่เนี่ย ไอ้บานทีเหลือแล้วสุกๆทุกๆมันก็แว๊บๆวับๆโหอันนี้ไม่ได้เรื่องนะเออจิตแบบเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับจิตของพระอริยเจ้าที่ท่านแบบเข้าสมาธิจนจานานเดินตรงนี้ฉันเดี๋ยวจะไปฌานหนึ่งต่อไปอีกยอดหนึ่งฉันจะไปฌานสองเนี่ยคือมีตรงนี้เป็นเครื่องอยู่เลยฌานสมาธิเนี่ยนะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆคุณหยมติ๋วมันเป็นเรื่องที่เป็นของพระอริยเจ้าคือเป็นของคนประเสริฐ เป็นคุณธรรมที่แบบเหนือคนมนุษย์มากมากคือเป็นเรื่องที่แบบจะเป็นเรื่องที่ยินดีของคนที่เขาเห็นเรื่องละเอียดละเอียดแบบนี้โอยทา่านเข้าฌานสมาธิแบบนี้ได้ไหมมันเรื่องที่แบบสูงมากดีมากคือคไม่ใช่ว่าเกินเอื้อมของเรานะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทําได้คือตรงนี้เป็นความที่เหนือของมนุษย์ถ้าจะพูดง่ า, งงายๆคืออุตริมนุษยธรรมเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็กินดื่มเที่ยวเล่นก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเราก็รักษาศีลได้นี่ฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีคนตายมีคนเรื่องกระทบอะไรอาจจะจี้จัดจบ้างก็ธรรมดาแต่ไม่ผิดศีลอันนี้ก็มนุษย์ทั่ ว, วไปคะแต่ถ้าจะให้เหนือขึ้นเหนือจากคนทั่ ว, วไปเราต้องรักษาจิตของเราให้ได้นั่ซึ่งถ้าเป็นมาในแนวทางเนี้นี่คือแนวทางที่พูดถึงว่าเราจะรักษาจิต ด, ด้วยสมาธิเนี่ยตรงนี้จะเริ่มที่จะมาเหนือของมนุษย์ละค่ะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์ผู้ปฏิบัตินะค ะ, มะสมมุติว่ามีชีจ้จัด มีได้แค่ไหนกนะคะเออก็จะต้องไม่เกินขอบเขตของศีลค่ะกือคื อ, คอจิตใจในใจมีแน่นอนนะแต่จะไม่เกินมือไม้จะไม่ขยับไปเกินขอบเขตของศีลที่จะผิดศีลค่ะ ด, ดังนั้นถ้าบางคนจะวัดตัวเองอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ในบางครั้งว่าต้องดูว่าในการดาเนินชีวิตนั้นยังมีอารมณ์ชี้จา้าดง่ายอยู่หรือไม่เนี่ยก็จะมีสองแบบเหมือนกันถ้ายังอยู่ในกรอบของศีลเนี่ยก็แปลว่า หน้าที่จะเป็นผู้ที่การปฏิบัตินั้นจัดได้ว่าก้าวหน้าแล้วเอก็อยู่ในระดับที่ดีใช่ใช่ใชก้าวหน้าพอสมควรค่ะเพราะว่าถ้าแบบคุ ณ, ค, ค, ณคุณอ่านไม่ได้สติคุมไม่อยู่เนี่ยก็จะเริ่มเข้าขอบเขตกลายเป็นโจรไปขโมยบ้างกลายเป็นฆาตกร บ, บ้างก็จะไปขอบเขตนั้นแต่เราไม่ไปใช่ไหมเราอยู่ในขอบเขตตรงนี้ได้อันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งค่ะทีนี้อันอย่างหนึ่งต้องอามาวัดคือเรื่องของสมาสังกปะ สัมาสังกัปปะคือที่บอกว่าจีจารเนี่ยมันอาจจะหุ้มฟุ้งขึ้นมาเอาแน่หลักมือไม้สัมมาวาจาสัมมารกรรมันตาสัมมาอาชีวารักษาได้แล้วสัมมารกรรมันตาเนี่ยบางคนก็จะมากน้อยไม่เท่ากันตรงนี้แหละคือความละเอียดน ะ, ะว่าจิตเขาเนี่ยเดี๋ยววาบขึ้นมาเนี่ยมันมากหรือมันน้อยมันแรงหรือมันคล้อยที่น้อยอาจจะแรงหรือที่น้อยแล้วค่อยระดับได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินทรีย์ที่เขามีความแก่กล้าไม่เท่ากันด้วย น, ะะนั้นก็จะได้เห็นความละเอียดละออนะคะของความก้าวหน้าในฌานต่างๆว่าเป็นอย่างไรเพราะบางทีปฏิบัติไปแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยเราปีติแล้วสงสัยเราขึ้นฌานสองแล้วอาจจะยังไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นการปีติอันเกิดจากสมาธิใช่แล้วก็ต้องทั่วทั้งตัวด้วยค่ะนะค ะ, ะส่วนในกรณีที่เกิดอุเบกขา บางทีอาจจะยังไม่ถึงชาญสีก็ได้หากว่าอุเบกขานั้นยังมีความสุขเจอปลนอยู่อันนั้นก็จะเป็นจันทร์ที่สามใช่นะคะเนี่ยค่ะมีรายละเอียดอย่างนี้ถ้าต้องการให้ความเข้าใจในการเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติของท่านถูกต้องหรือเปล่าก็จะต้องเทียบเคียงกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ด้วยถึงจะปลอดภยัยมีอันหนึ่งคุณโยมตีว่า น, นี้จะพูดเป็นการสรุปเลยก็ได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณธรรมอยู่5ประการผู้ที่เจริญสมาธิแล้วเนี่ยจะมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้นผู้ที่เจริญสมาธินะเจริญสมาธิอันแบบจนกระทั่งแบบโอ้โหคุณชำนาญคุณว่าคุณเข้าฌาญได้เนี่ยมาตรวจสอบตัวเองมาว่าคุณมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้นไหมความรู้5อย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าญาณญาณ น, นะแปลว่าความรู้ญาณห้ประการย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนคําว่าเฉพาะตนเนี่ย ม, มันรู้ซึง้งขึ้นมาในใจเลยคือ1 สมาธินี้ให้เกิดสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปด้วยโวมันเป็นสิ่งที่แบบสุขมากเลยมันไม่มีอะไรที่มันจะมีค่าเกินมากว่า น, นี้ในเกณฑ์ที่หนึ่งก็จะเห็นสองสมาธินี้เป็นธรรมอันประเสริฐปราศจากอามิ t h เพราะนั้นอะไรที่มันเป็นอามิ t h เนี่ยเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เอาคือแบบจิตจะไม่นอนไปทางนั้นจิจะน้อนมาสมาธินี่คือข้อที่สองนะอะไรค อ, อาม i t h คะท่าอาม i t คือเครื่องล่อทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นถ้าเราต้องการความสุขที่เกิดจากกินอาหารอร่อย่อคือคุณก็เอารถมาล่อใจให้มันสุขผ่านทางลิ้นอันนี้คืออามิดข้อที่3สมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ข้อที่4สมาธินี้ระงับประนีตได้แล้วด้วยความสงบระงับถึงพร้อมแล้วด้วยความที่จิตเป็นธรรมอันเอกไม่ใช่บรรลุได้เพราะการข่มขีเพราะการห้ามด้วยการปรุงแต่ง พูดง่ายคือแบบใช้ความประนีประ ง, งับเอาให้เกิดสมาธิขึ้นไม่ใช่ไปบังคับข่มขี่จิตไม่ได้อันนี้คือข้อที่4และข้อที่5้าเขาจะมีความรู้ชัดคือญาณเกิดขึ้นเลยว่าเรามีสติเข้าถึงสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้อันนี้คือ5อย่างที่คนที่เขาเจริญสมาธิเช่นที่ชํานาญละมีจิตน้อมไปใครครุ่นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆจะมีความรู้5อย่างคือญาณ5อย่างนี้เกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ปฏบค่ะอ่าธุค่ะก็เพื่อไม่ให้อ่าไปยุ่งยากจําพุทธพจน์นี้ไว้ก็ดีใช่ไหมคะที่จะได้สรุปว่าเรานั้นเองก้าวหน้าหรือยังคือสมาธิที่ท่านปฏิบัติเนี่ยก่อให้เกิดสุขในปัจจุบันอืมีสุขเป็นวิบากหรือเปล่าสุขเป็นวิบากแปลว่าผลนะวะคะวิบากคือผลใช่ค่ะข้อที่สองสมาธินี้เป็นธรรมอันประเสริฐตราศจากอามิ t h หรือเครื่องล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือไม่ต้องหาความสุขอย่างอื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพียงพอคือห้าอย่างพอตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่าง<อ>ทำไมไม่ใจด้วยลนะ่ะ ก, ก็เราก็มมีความสุขอยู่ในใจอยู่แล้วไง<อ>คือสัปจากสมาธินี้ไงค่ะข้อข้อที่สามสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ค่ะเสพไม่ได้เราะนั้นถ้าเห็นคนไม่ดีมาอวด อ, อ้างว่ามีสมาธิเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าใช่คือถ้าผิดศีลด้วยแล้วมีไม่น่าใช่ ค่ะสมาธินี้ใช้ความประนีตหรอคะถูกต้องระ ง, งับให้เกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยการข่มขีหรือการห้ามด้วยการปรุงแต่งไม่ใช่ด้วยการข่มขีเอคือคไม่ใช่ว่าบางังคับเอาอ่ะค่ะการห้ามด้วยการปรุงแต่งแล้วก็ข้อที่ห้ามีสติเข้าถึงสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้ค่ะ เห็นไสติเป็นนาทปดีนะมันจะคุ้มอยู่ตลอดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะเพียงพอกับการที่เราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ฉันคิดว่าถ้าคนจําเอาไปแล้วไปปฏิบัติทีหลังเนี่ยอาจจะเลือนลางถ้าไปสืบค้นต่อในภายหลังแต่ถ้าคนปฏิบัติอยู่แล้วฟังอย่างเงี้ยจะรู้เลยนะคะว่าเราจะต้อง ป, ปฏิบัติไปปฏิบัติต่อไปหรือไม่เพื่อให้เจริญดังที่พระพุทธองค์ได้ ให้เรารู้ไว้ว่าอันนี้เป็นมาตรฐานในการวัด น, น้นันนมัสการขอบพระคุณท่านเพรบุญไปอย่างยิ่งนะคะสําหรับวันนี้ท่านฟังที่ ค, ครบค่ะพระมหาเพบูลุญอภิปุโ น, โนนะคะวัดป่าดอนไฮโซดรนธานีดิฉันสันสนีนาคพงรายการนี้ชื่อสรรนสนีสนทนาสถานในพิธีุทิศแห่งนี้ที่ฟังอยู่ก็คือเอสเอ็มร้อนะคะสททรหนึคะ่ะรายการครอบครัวข่าวคือคือ ชื่อของสถานีนะคะเราเอาไว้มาติดตามรับฟังรายการกันในสัปดาห์หน้าจันทร์ถึงพุธฟังพระอาจารย์เพบูล ร, รูปเดียวส่วนวันพระหัสบดีกับวันศุกร์นะคะก็จะมีท่านหนึ่งรูปและดิฉันสันสมีนาคพงศ์ร่วมสนทนาด้วยวันนี้ลากไปเหียเท่านี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ